ค, คิดนานเป็นชื่อของสามที่ท่านประกอบปัจจัยโมหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องกำหนดไมยเนื้อความของนามศาศับและกิริยาศับที่ต่างๆการคิดนานแบ่งออกเป็น2อก่อนคือเป็นนามศาศับอย่างหนึ่งเป็นกิริยาสับอย่างหนึ่งคิดทั้งสองอย่างนี้ ชาติเป็นที่ตั้งทั้งเซนนามากีติที่เป็นนามก็ดีเป็นคุณนามก็ดีเรียกว่านามากิตนามากิต น, น, นี้จัดเป็นสถ า, านามีปัจจัยเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าศัปนี้เป็นสถ า, านะ น, น, น, นั้นๆเพื่อจะให้มีเนื้อความแปล ก, กนานสถานาสัพที่ท่านให้สําเร็จมาแต่รูปวิ คือสาธาณสาธาฐานนานแบ่งเป็นเจ็ดคือกตตุสาธานนากรรมสาธานนาสาธานนาการนณสาธานนาสัมปทานาสาธานนาอปาทานาสาธานนาอัธิการนาสาธานนารูปีคราอแห่งสาธานนาจัดเป็นสามคือกตตุรูกรรมรู กตุสาธานาสับใดเป็นชื่อของผู้ถามคือผู้ประกอบกิริยานานเป็นต้นว่ากุมภาคารผู้ทมตึงหมทายโกโอวาทาโกผู้กล่าวตอนสาวะโกผู้ฟังสับ น, นันตุสาธานากตุสาธานานักปราชายเราบัญญัติให้แปลว่าผู้ ตาลงในอาจคือตาสีลาแปลว่าผู้โดยปกกติกรรมอาสาธานาะทำซึ่งสิ่งใดสามที่เป็นชื่อของสิ่งนั้นเป็นตนว่าปิโยเป็นที่รักราโสวิยัยเป็นที่ยินดีก็ดีสามที่เป็นชื่อของสิ่งของ้อที่เขาทำเป็นตนว่ า, ากิจจังกรรมมันเขาฝึงทำ ทานังสิ่งของอันเข้าพึงให้มีเข้าวน้าเป็นต้นก็ดีชื่อว่ากรรมาสาตานากรรมมาาทานาที่เป็นการตุรุภมแปลว่าเป็นที่ที่เป็นกรรมมูมแปลว่าเป็นที่หันเขา้าภาวะตาท า, านาสามบอกคิริยาคือความทำฟองผู้ทมเป็นต้นว่าข้ามานานความไป ฐานงความยืนนิสาชาความนั่งสญ า, านางความนอนเชื่อว่าภาวะตาฐ า, านาเป็นภาวะรูปอย่างเดียวแปลว่าความคลอนได้การก็ได้การนาตาานาผู้ทำทํ า, าด้วยสิ่งใดสาที่เป็นชื่อของสิ่งหนานเป็นต้นว่าอันฐานางว่าถูกเป็นเครื่องผูกมีเชือกและโซเป็นต้น การานังวัตถุเป็นเครื่องประหารมีดาบแหลงเงาเป็นต้นเวชานังวัตถุเป็นเครื่องชัยมีเหล็กมาดและสางวานเป็นต้นชื่อว่าการ า, านาสถานการานาสานาที่เป็นกัตุรูรงแปลว่าเป็นเครื่องก่อได้แปลว่าเป็นเหตุก่อได้ที่เป็นกรรมารูป แปลว่าเป็นเครื่องอันเขาก็ได้เป็นเหตุอันเขาก็ได้ส า, าสามปนะ่าธาณาาธาาผู้ทำให้แก่ผู้ใดหรือแก่สิ่งใดสัพที่เป็นชื่อของผู้ น, นั้นสิ่งนั้นเป็นตนว่าสัมปนะ่าธาณาวัตถุเป็นที่มอบให้ชื่อว่าสัมป่าธานาาธาา อานาสาฐานาที่เป็นกัตูรูมแปลว่าเป็นที่ที่เป็นธรรมรูปแปลว่าเป็นที่อันเขา อ, อาปาฐานาสาฐานาผู้ถามไปประสาจากสิ่งใดสัพที่เป็นชื่อของสิ่งนั้นป่นนาปพาซาโรแดนธาถออกแห่งราษมีกายเสว า, าจาพวกหนึ่งป่าพาโวแดนเกิดก่อนมีนาตรง ซึ่งเป็นแดนเกิดก่อนของแม่น้ำเป็นตนพีโมแดนกลัวยากชื่อว่าอปธานาสาธานธานะนการตูรูปอย่างเดียวแปลว่าเป็นแดนอธิการณาสซาธานาะผู้ทำทำในที่ใดสับที่เป็นชื่อของที่นานเป็นตนวาธานังที่สัง อาสนางที่นั่งอ า, านางที่นอนชื่อว่าอาธิการนาสถานาการนาสถานาที่เป็นกัตตูรูมแปลว่าเป็นที่ที่เป็นธรมรมารงมแปลว่าเป็นที่อันเก่ารูเวคราะแห่งสถานะ รเวคร้อแห่งสาธานาจะเป็นสามตามวาจกธรรมสามที่กล่าวแล้วในอากาศญาณานรูปเวคราอแห่งสาธานานด้เป็นกตัววาจบก็ดีเป็นเหตุกตัววาจบก็ดีซาธานา น, านั้นรูเวคร้อแห่งสาธานาใดเป็นกรรมาวาจงหรือเหตุกรร ม, มาวาจบ สาั า, านานันเป็นกรร ม, มารวมรูปเวกโรแห่งสาธานาใดเป็นภาวว่าจงสาัทา น, านานันเป็นภาวรวมปัจจัยแห่งนามากินปัจจัยที่สํามรบประกอบมากินนันมีสิบสี่ตัวจัดเป็นสามพวกรือกิ่ตาปัจจัย ประกอบกรรมสามที่เป็นกระสุรูปอย่างเดียวกิตจ่าปัจใจสามรับประกอบกรรมสามที่เป็นกรมมากบาวรวมขีตกิจ่าปัจใจสามรับประกอบกรรมสามแม่ทั้งสามเหล่ากีจาปัจใจอย่างนี้ก็เวนีนาโอตูรูขีจ่าปัจใจ ขีตากีจปัจจัยอย่างนี้อานีนาตาเวทีตุงโยเวิคราะแห่ง น, ม า, น า, า, า, า, า, ามขีในขีสัปัจจัยกัเวปัจจัยส่ายังข่าววติตีสยย่อมผูผู้ใดย่อมเป็นเด็งเหตุนานผู้นานชื่อว่าผู้เป็นเด็กสายังเป็นบทนาผู้ธาตุในความเป็นโลกกาวเวอันนี้ขา้าเหตเป็นมา ที่สนที่เป็นกตูรุมกัตูสาธานาอุเรนาคาติติอุราโคสัตใดย่ยอมไปด้วยองค์เหตุนั<า>้นชื่อว่าผู้ไปด้วยองค์<า>พระเป็นบทนาข้ามาท า, าในความไปโลภายาช น, นาที่สุดธาคือมาด้วยอำนาจกกวี เวด้วยสร้างสุทโธขนาติติสร้างโคสาธายย่อมคุณซึ่งแผ่นดินดีคือว่าด้วยดีเหตุนานสัตนาชนื่อว่าภูปุติสร้างเป็นบทนาขนะขาดในความคุณเอานี่ฆาญิตเป็นงานโดยววธีสนธิมี้จาดใจทำมาว่าธาติสิเลนาติ ธรรมวาทีธรรมงวัตตุงเซรามัสติวาธรรมวาทีผู้ใดเหตุนัน ผ, น, นผู้นา้นชื่อว่าผู้กล่าวตื้นทำโดยโปกติอีกอย่างหนึ่งความกล่าวตื้นทำเป็นปกติของเขาเหตุนั้นชื่อว่ามีความกล่าวตื้นทำ โปกาสิธรรมเป็นบทนาวาทาศาสในความกล่าวเพื่ออาทิว่าเป็ น, นานด้วยอำนาจปัดใจที่เนื่องด้วยนาแล้วลบนาเหมือนกล่าวแล้วในโกตัสสาทีนถ้าเป็นยิตที่ลิงเป็นธรรมวาทินิถ้าเป็นนาพุงสกะลิงเป็นธรรมวาทีเวกโลก่อนเป็นกัตตูรูป ลงในอาจแห่งตาเซลาเวประลังสามาตรวมตาเซลาสาธนาสมาตรวมตาเซลาสาธนานี้เห็นอย่างไรอย่างไรอยู่จึงมีได้จัดเข้าในสาธนาราปังการุติ ปาปาการีผู้ใดยอมทำซึ่งบาปโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำซึ่งบาปโดยปกติปาป่าเป็นบทนาการราชาในความทำธรรมจาริสีเลนาติธรรมาจารีผู้ใด เพื่อซึ่งทำโดยโปกติเหตุนานผู้นานชื่อว่าผู้ประเพื่อซึ่งทำโดยโปกติเป็นบทนาจาระคาในความประเพือนในความเที่ยวนาะว ป, ปา จ, จัยเทติติทายาปูผู้ใดย่อมให้เหตุนา น, น, านชื่อว่าผู้ให้ทายาตในความให้ยาปั จ, จัยลังนาตมีอาเป็นที่สุด นาวเป็นอากาเป็นกตูวรวมการตู่สาธานะถ้าเป็นดิที่ลิงเป็นทายิกาเนติตินายะโคผู้ใดย่อมนำไปเหตุ น, นั้นเชื่อว่าผู้นำไปนิทั์ในความนำไปเพืพ่อีเป็นเอแล้วเอาเป็นนายาด้วยอำนาจปัจจัยที่เนื่องด้วยนาะ เมื่อเก่าแล้วในโคตัดจิตอนุสาติติปอนุสาโกผู้ใดย่อมตามสอนเหตุนั้นชื่อว่าผู้ตามสอนอนุเป็นบทนาสศาสะทาดความสอนสุนาติติสาวะโกผู้ใดย่อมฟังเหตุนั้น สุธาในความฟังเพื่ออเป็นโอแล้วเอาเป็นราวา ด, ดังกล่าวแล้วสุปาจใจกัโรติสีาากัสตากัโรติสีเลนะสีวากัสาผู้ใดย่อมทรรมเหตุ น, นั้นชื่อว่าผู้ทรรมอีกอย่างหนึ่งผู้ใดย่อมทรรมโด ย, รรโดยรรโปกติเหตุ น, นั้น เชือว่าผู้ทำโดยปกติกรารธาตในความธรรมโลกภายนชาณที่สุดธาตุต่อตากาโเข้ากับกาธารมวิพาเทกาว่าชาณะแห่งนามเป็นกาตาเป็นกาตูรูมกาตูตาธาณาวิเคราะห์ลังลงในตาตสีลาวาัฒาตีตีวัตตาผู้ใด เหตุนั้นผู้นาน้นชื่อว่าผู้กล่าวว่าทศาสตรในความกล่าวชานาติสียญาตาผูา้ใด้เหตุนั้นผู้นาน้นชื่อว่าผู้รู้ญาทศความรู้ทาตุสี่ธาตาผู้ใดย่ยอมทรงไหวเหตุนั้ น, นชื่อว่าผู้ทรงไหวทารธาตุในความทรงรูปใจปร า, ารัง กชาชตาตีสิเลนาตีปาราภูผูใดโดยปกติเหตุนานผูนั้นเชื่อว่าผูถึงซึ่งฟังโดยปกติปาราเป็นบทนาข้ามธาตในความถึงลบที่สุดธานด้วยอำน า, าจปจาัยที่เนื่องด้วยราแล้วรบราเสียเป็นกัตตุสาธานา ลงในต ส, สติละเวชนาติสิเลนาติวินยูย่อมรู้วเวสเดนโดยโปกติเหตุนั้นผู้นั้นผู้รู้วเวสเดนโดยปกติเป็นบทนาญาทาดในความรู้ตอนญาติภิกขติสิเลนาติภิกขุผู้ใดย่อมพอโดยโปกติ ผู้นันเชื่อว่าผู้ขอโดยปกติพิคขาทานไม่ลมที่สุทานรักาวุเป็นห่วงวิเคราะห์ในขีจับปัจัยขาบปัจัยสุเกณนะกริยติติสุรักทำได้อันเขาทำได้โดยญาเิตกนันกรรมนั้นเชื่อว่าอันเขาทำได้โดยญา สุเป็นบทนากรราตในความธรรมลบกาซ้อนกาเป็นกรรมารุงกรรมาธนาสุเ ข, ขนาภาริยติติสุภาโรผู้ใดน า, น, ดขขา น, นผู้นานชื่อว่าอันเขาเลี้ยงได้โดยง่ายสุเป็นบทนาภรัก ในความเลี้ยงโทเกนารักขียติติสุรังจิตใ ด, ดอันเขารักษาได้โดยยากจิทนานชื่อว่าอันเขารักษาได้โดยยากสุเป็นบทนาละคาในความรักษาหนา ย, ยปัจจัยกาตัปปตติการิ อันเข้าพึงทำเหตุนานกรรมนั้นเชื่อว่าอันเข้าพึงทำการาชตรืออาเป็นอาอีอาภมโลกนาเสียเป็นกรร ม, มารม่มกรร ม, มาส า, านาะเนตะาังตีในยางสิงใดอันเข้าพึงนำไปเหตุนาน ชื่อว่าอันเข้าพึงนำไปนีทาตในความนำไปเพื่ออีเป็นเดชลบนาสอนยวาว่าตาพันติวัดจังทำใดอันเขาพึงกล่าวเหตุนานเชื่อว่าอันเข้าพึงกล่าวว่าธทาตในความกล่าวลบนาแล้วเอาทาติสุดธาตกับยาทิสดปราัยเป็นชาชาธาตมิสาโพติ ธรรมโอ้โดอันเข้าพึงทอรามานได้นนโอนานเจอว่าอันเข้าพึงทอรามานไดถ้ามาธาตุในความฝโหลบนานแลว้วเอาหาที่สุธดธาตกับยาเป็นมามายูจิตตผานติโยคังสิงไดอันเข้าพึงประกอบเหตุนานสิงนาน อยู่ชาติในความประกอบลบนาแล้วเอาชาติสุนทานกับญาติเป็นชาตาคาราหินสนามพนตีอะไรหั่งําใดอันเข้าพึงตีตียนเหตุนานชื่อว่าอันเข้าพึงตีตียันคาระอาคานในความตีตียนเพื่อเปินนโลบนาแล้วแปรหาไว้เบื้องล่าง เบื้องหนะ้าธาตุพันตุีทายางสิ่งใดอันเข้าพึงให้เหตุนั้นชื่อว่าอันเข้าพึงให้ธาตุในความหายทานิีอาเป็นที่สจุนาะในยาเป็นในยาแล้วโลกาด้วยสารต้ทนที่ัพท์ที่ประกอบด้วยปัจจัยนี้ เป็นกิริยากิจบางอุทาหอนเตชะพิโคอาหนึ่งพิโุทางลายเหล่านั้นอันทานพึงตีเตียนเวพร้อในกีตากิจ่าปาดใจอาปาจใจปัดตีสังพิจาตีตีสัมพิธาปัญญาได้ย่อมแตกการดีโดยต่างเหตุ น, นั้น เชื่อว่าแต่ชาตินีโดยสางปราติสร้างเป็นบทนาพิทาทานอิธชลิงปะธรมาวิพาตเป็นนาเป็นกตุรวมกตุสาหานาอิตังอิตากาโรผู้ใด ย, ย่อมทงซึ่งประโยชน์เกื้อกูลเหตุนั้น เชื่อว่าผู้ทำซึ่งประโยชน์เพื่อปุณหีตาเป็นบทตนาการธาตา ม, ามนิสยยนางวาา่าสติสีนิสยาีนิสยาโยสีนิสัยาศาศาศซึ่งอาจารณอยู่เนนในนั้นเชื่อว่าเป็นที่อา ศ, าศัยอยู่ของสี น, นิเป็นบทตนาสีธาตุในความอา ศ, าศัยพระ อ, อีเป็นเฺเต แล้วเอาเป็นอาญาแล้ว้อนสารเป็นกับตัวรูกามาสาธานะสาสิกิยาติตีสิกาสิกานังวาสิกาได้อันเข้าศึกซาเหตุนานนทำมาช้านานชื่อว่าอันเขา้าสืบซาอีกความสืบซาเชื่อว่ า, าสิกาสิกานในความ สัมเนียกเวกโรนเป็นกรร ม, มารุง่งกรมมาสถ า, านาเวกโรนังเป็นภาวะภาวะสถ า, านาเวเนตีเตนณตีเวนายบันดีนย่อมแนะนำด้วยอุบายนานอุบายนาน้นชื่อว่าเป็นเครื่องแนะนำของบันดีที่เป็นบทนา ในความนามเป็นการรวมการาสาตานาปัตต า, ามาวะเอตสามาตีปะพาโวะแม่นามยอ่อมเกิดก่อนแต่ประเทศนั้นประเทศนั้นเชื่อว่าเป็นแดนเกิดก่อนแห่งแม่นามปะเป็นโภตนภูธาน แล้วเอาเป็นอาวาเป็นการตัวรวมอาปาทานาสาธานาีปัจจัยอุทากังทาตาตีตีอุาทาตีประเทศใจนามเหตุนานประเทศนานชื่อว่าผู้สรงไว้ตึงนามท่าเลอุท่าเป็นบทนา ในความตรงเป็นการตูวรวมการตูสาธานะสันธิญาติสีสันเ ท, ท, นทว่าจะได้อันเขายอมต่อเหตุนั้นเชื่อว่าอันเข้าต่อสร้างเป็นบทนาภาธาในความต่อเอานิคารเหตเป็นนา้ สนเทเป็นกรร ม, มารุปกัมมาฏฐาน า, น, านิทียติตินิทิสมบัติใจอันเข้าฟังไว้สมบัตนานชื่อว่าอันเข้าฟังไว้นี้เป็นบทนาทานาในความทรงนาบปัจจัยกรร ม, มการทติติกรร ม, มาการผู้ได้ยอมทำซึ่งรำเหตุนานผู้นาน กูทำถึงกรรมกรรมมาเป็นโบทนากระถ า, าในความธรรมวิธีพปื้ปัจจัยได้กล่าวแนวในโมตตาทินเป็นกตูรวมการตูสาธานะาสติสีโรโกอาภาสยไดย่ยอมเสียแทงเหตุนานอาภาสนาน กรชาทานในความเตีย่ยแทงเอาชาเป็น้าเพราะณปัจจัยว่าหิตาโพติว่าโมภาระใดอันเข้าพึงนำไปเหตุนานภาระนานอันเข้าพึงนำไปว่าหาธาในความนำไปเป็นกรรมารูปสถานาปัจจานังปาโปควา ม, มุงเชื่อว่าภากา ปัจจัตตในความมุงต้มเอาจะเป็นกาเพราะนัปัจจัยเป็นภาวะรวมภาวะสัานาสุสตีเทนติโทโซย่อมปัจจุสาร้ายด้วยกิเลสนานนานกิเลสนานเชื่อว่าเป็นทุสาร้ายแห่งโจรทุสตาตในความปัจจุสาร้ายเป็นการตุรุม สาธานาอาวาสติเอสาติอาวาโสภิกษุทั้งหลายย่อมอาศัยอยู่ในประเทศนี้เนั้นประเทศนี้ชื่อว่าเป็นที่อาศัยอยู่แห่งภิกษุทั้งหลายอาเป็นบทนาวาสถ า, านในความอยู่ เป็นการตุรุภูมอาทิกาณสาส า, านะาตาเวปาัจจัยกาตเวเพื่อจะทำะาการตเวเพื่อจะไปข้ามาทานเอาที่สุดทานเป็นนาปัจจัยนี้ลงในจัตุทิเวปานามสีปัจจัยมัญญาสีมาสี ปัญญาใดย่อมรู้เหตุนานปัญญานานผู้รวมเป็นการตัวรวมการตูวตาธานามัญญาตีเอตายาติว่ามาติีอีกอย่างหนึง่งโชนย่อมรู้ด้วยปัญญานานเหตุนานเชื่อว่าเป็นเหตุรู้แห่งโชนเป็นการตัวรวมการนาตาฐนามานา น, านังว่ามาตี อีกอย่างหนึ่งความรู้ชื่อว่ามัติมานาทานในความรู้ลมที่สุนทานเป็นภาวะรวมภาวะาธาสนาะสาราติติสาติธรรมชาญา ย, ยอมระลึกธรรมชาญานชื่อว่าภูระลึงเป็นกัตตโรวมกัตตูศาสนาะสาราติ ตาญาติวสตาตีอีกอย่างหนึ่งชนยอมระลึกด้วยธรรมชาตนานธรรมชาตา น, นชื่อว่าเป็นเอระลึกแห่งชนเป็นกรารรวงการนณตาถานาสารานวสตาตีอีกอย่างหนึ่งความระลึก สติสารธาตในความราลืงเป็นภาวโรวมภาวะสถานาสัมปัติตัพติสัมปัติอันเข้าถึงถึงพร้อมเหตุนานทรมาชาตนานชื่อว่าอันเข้าถึงถึงพร้อมสร้างเป็นบทน า, า, าในความถึงพร้อมเป็น มาโรมเป็นกรรมมาสถ า, านาคตจันติเอตาติคาติชนทั้งหลายในภูมินั้นเหตุนั้นภูมินั้นชือว่าเป็นที่ไปแห่งชนทั้งหลายในความไปในความถึงเป็น อาทิการณาตาธานาสุงปจัจจยการุงเพื่อจะทำการาทานเพื่อจะไปข้ามาทานปัจจัยนี้ลงในปัจามาและจะสู่ที่วิภามยุปปัจจัยยะเตเาารรติเจตนานธรรมาตาย์ย่อมเคตเถนนธรรมานาน สาธารในความเพียพรเพื่อจิเป็นเนแล้วอาอยู่เป็นอานาจิตที่เลิงปาสมวาวะเวพาณามเป็นนาเป็นกาสตุรมกัตุสาธานากุชาติตผู้ใด ย, ย่อมโกรธโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นเชื่อว่าผู้โกรธโดยปกติ โอทาธาในความโกรธเพอืออเป็นโนเป็นกตุรปกปกตุสาทานะนเซลาคุณเชตตาพันติโผจานางสิงไดอันเข้าถึงกินเหตุนั้นเชื่อว่าอันเข้าถึงกินในความกินเป็นกรรมรูกรรมาต า, านากาเชียติสีขามา น, านัน ไปเหตุนั้นชื่อว่าคว า, ามไปข้ามาธาตุในความไปเป็นภาวะารูปกาณากรตีเตนะตีการานาเราย่อมทำด้วยสิ่งนั้น<ม>เหตุนั้ น, นชื่อว่าเป็นเครื่องทำแห่งเขา้าการธาตในความทมเป็นกัตุรูป นาซาธานาสังวันนิยติเหตายติสังวันนานาเนื้อความมันธายอ่อมปานนานาพร้อมด้วยวาจานานเหตุหนานเชื่อว่าเป็นเครื่องอันท่านนานาพร้อมแห่งเรื่องความสร้างเป็นบทนาวันณาทานในความ เป็นกรรมารมการ า, า, านาสาธนาสัญตีธาตีสัานางเข้าทางลายยองนอนในที่นี่ที่นี้ชื่อว่าเป็นที่นอนแห่งเข้าทางลายสี่เป็นในความนอนอีเป็นเอแล้วเอาเป็นอายะเป็นกัตตุรุ นายุบปัใจนี้ถ้าท่ามีราเลือกหาอยู่ข้างหน้าแสงอยู่เป็นอาณาแต่ที่มีหาเป็นที่สุดไม่นิยมเมือนที่มีราเป็นที่สุด